ขณะที่พวกเธอจึงยืนแอบฟังพวกพิสูุผู้บาทหมางทะเลาะวิวาทกันเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทําอย่างนี้พิด้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุ์ทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้